ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องตะบะเฉโกภ ะ, ะชาดกโดยสมณะซาบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่28พฤษภาคม2546ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ ตบะที่พอดีกับตัวเองไม่ออกวิธีวิธีธาหาตาบะเนี่ยนะดูจากหนึ่งเข้าใจคําว่าสักยะใช่ไหมเข้าใจคําว่าสักกยะใช่ไหมกิเลส ท, ที่เป็นตัวใหญ่ตัวที่เราติดมากๆเราเรียกว่าสักยะนะกิเลสตัวที่เรายึดมากๆอะ่นะอันนั้นเรียกว่าสักยะ วันเราอยากจะรู้ว่าตาบาดเราจะตั้งไงเนี่ยมันก็จะมีดูจากกิเลส ท, ที่เรายึดมากๆห่วงไว้มากๆเสียดายมากๆนะดูนี่อันนี้ตัวนี้จะยากที่สุดตัวนี้ยากที่สุดอ่าแล้วตอนนี้ไปดูตัวที่เป็นกิเลสเหมือนกันเราก็รู้ว่าเป็นกิเลสแต่ตัวนี้เนี่ยจริงๆเราเราไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนะถ้าจะให้เลิกจริงๆก็เลิกได้คือคือ สามารถทําได้โดยง่ายเลยสําหรับเราแต่เราก็ยังไม่ยอมเลิกให้มันเด็ดขาดเราก็เลยยังปล่อยมันอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นกิเลสตัวเล็กอกินทรียสักยะนี่ตัวใหญ่และที่เหลือก็จะเป็นตัวกลาง <c oughs> นั้นเนี่ยถ้าตัดสองตัวนี้ออกนะคุณอยากจะรู้ว่าตรงกลางอะ่ะใช่ไหมบอกว่าเออที่มันพอหมอเนี่ยคุณตัดตัวใหญ่กับตัวเล็กนี่ออกแล้วคุณจะเหลือตัวกลางเอง แล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะตั้งตบาบะอะไรบ้างอันนี้นะในในเราจับ ก, กิเลสมาเรียงคิวดูว่าใหญ่กลางเล็กเป็นยังไงแต่โดยความเป็นจริงอีกครั้นี้แม้จะเป็นกิเลสตัวใหญ่แต่ในกิเลสตัวใหญ่เนี่ยก็อยู่ที่เราตั้งอีกว่าเราจะตั้งแบบเข้มข้นตั้งแบบกลางกลางหรือตั้งแบบอ่อนๆก็อยู่ที่เราอีกเหมือนกันนะ ถ้าตั้งแบบเข้มข้นเนี่ยหมายถึงว่าสู้กันแล้วให้ตายกันไปข้างหนึ่งนะคือสู้กันแล้วให้ตายกันไปข้างดนึงเลยอย่างนี้จะตั้งแบบเข้มข้นจากนี้ที่เรียกว่าอะไรอะรู้ดำรูแดงกันไปเลยนะ่เนี่ยจะตั้งเข้มข้นเลยคือพูดง่ายๆว่าให้เด็ดขาดแต่กิเลสตัวเดียวกันนี้แหละเราเองเรารู้ว่าเรายังติดอยู่มากและมันก็เป็นกิเลสตัวใหญ่ ใจเราก็ไม่ถึงที่จะโอ้โหลุยกับมันเลยเนี่ยใจไม่ถึงวันคุณก็เลยลดลดตาบ่าที่คุณจะตั้งเข้มข้นอย่างนั้นคุณลดตาบ่าลงมาให้มันให้มันอ่อนลงให้มันจางลงมายกตัวอย่างดีกว่สมมุติสมมติเรื่องกินขนมโอ้โหเราติดมากเลยขนมอย่างเงี้ยเราชอบมากๆเลยเห็นไม่ได้เห็นต้องกินเห็นต้องกิน ได้ยินคนพูดถึงก็โอ้โหคืนน้ำลายเอื้อกเอืเพราะฉะนั้นแบบว่าโอ้โหติดมากเรารู้แล้วไอ้นี่ขนมขนมยี่ห้อนี้นี่เป็นอันตรายสําหรับเรามากๆเลยเป็นกิเลสที่เรียกว่าเบ้งมากสําหรับเราเพราะฉะนั้นคราวนี้พอเรารู้ใช่ไหมแต่ให้เราตัดใจสมมุตินะถ้าเราตัดใจนะเอาจะเป็นจะตายยังไงเอาให้มันรู้เรื่องกันไปเลย เพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้สมมติจะเริ่มจากอาทิตย์นี้นะอาทิตย์นี้ยังไงก็จะไม่กินไอ้ขนมยี่ห้อนี้เลยขนมชนิดนี้จะไม่กินเลยยังไงก็ไม่กินใครจะอะไรอ่ะใครจะมายั่วยุใครจะเอามาให้เราเราก็จะกัดฟันสู้โดยที่ไม่ยอมกินเด็ดขาดขนมชนิดนี้ตายเป็นตายพูดย่าไงอย่างเงี้ยเราถ้าอย่างนี้เข้มข้นเลย แช่มแล้วก็ต้องสู้กันจริงๆเลยเนี่ยพอถึงเวลาโอ้หพอเห็นนี่แม้ใจมันจะขาดลอนๆเลยนะเพราะมันอยากจะกินอยากจะกินอยากจะหยิบมาแต่ว่าตบาบะมันมีเนี่ยมันก็พยายามฝืนสู้กัดฟันขม่มใจว่ายัางไงอย่าไปหยิบอย่าไปกินเดินไปที่อื่นซะอะไรอย่างนี้นะเนี่ยคือคือลุยกับมันเต็มที่แต่ตอนนี้บอกแล้วแม้เรื่องขนมชนิดนี้ยี่ห้อนี้เนี่ย เราเองเราใจไม่ถึงใจเราไม่ไ ม, ไม่เข้มแข็งขนาดนั้นแทนที่เราจะตั้งเนะี่ยทั้งอาทิตย์เนี่ยใช่ไหมว่าไม่กินเลยทั้งอาทิตย์เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวจะลงแดงตายซะมั่อก็เอาวันเป็นวันแล้วกัน <c ười> นี่นี่เราหย่อนลงมาแล้วใช่ไหมเราสู้กับกิเลสตัวสักยะนะแต่เราสู้วันเป็นวันแล้วคราวนี้ป่วยง่ายว่าสู้สักวันหนึ่งยังไงก็หน้าเหลืองตาเหลืองยังไงก็มีเวลาให้พักหนึ่งวนัน เดี๋ยวพวกนี้สู้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยนี่แม้ว่าเราสู้กับกิเลสตัวนั้นตัวสักยะแต่บางคนว่าคุณไม่สู้เต็มที่ ก, ก็ได้ใช่ไหมคุณสู้แบบระดับกลางๆก็ได้แต่แม้อย่างงี้คุณจะสู้กับกิเลสสักยะแต่สู้ด้วยความกลัวมากเลยไอ้ใจสู้นี่มันดีนะอย่างไอน้อยก็ยังยังลดกิเลสได้บ้างแต่ใจไม่ถึงเลย ใจอ่อนแอวันข้าวนี้อาทิตย์นี้เราจะไม่กินขนมอย่างนี้อาทิตย์ละวันแห <c oughs> มลดลงมาเรื่อยๆนะ <c oughs> ก็ยังดีกว่าไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่สู้เลยใช่ไหมดีกว่าไม่ตั้งดีกว่าไม่ลดไม่เว้นอะไรเลยแต่อย่างเงี้เห็นไหมเราสู้ในกิเลสตัวสักยะนั้นนะแต่มันก็ยังมีระดับให้เราเลือกได้อีกเพราะว่าอันนี้อยู่ที่อินทรีย์ภะละ อยู่ที่กี่ดความสามารถของคนนั้นและวอาตมาก็บอกแล้วคุณตั้งตบาบ่าเนี่ยต้องสู้ให้ได้อย่าตั้งตบาบ่าที่เกินความสามารถตั้งไปแล้วทําไม่ได้เนี่ยบางทีมันท้อแท้มันห่อเหี่ยวใจเพราะฉะนั้นกะคำนวณความสามารถของตัวเองว่าเหมาะกับตัวเองเนี่ยขนาดไหนคําว่าเหมาะเนี่ยหรือหรือทางสายกลางเนี่ยคือความพอเหมาะขนาดไหนสายกลางสำหรับสำหรับคุณ สู้บอลอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เลยเจวันเลยหรือจะสู้แบบวันเป็นวันหรืออาทิตย์นี้จะจะงดขนมนี้แค่หนึ่งวันหรือสองวันก็พออะไรเงี้ยเนี่ ย, ยต้องประเมินกําลังของตัวเองว่าทางสายการของคุณนีขนาดไหนตอนนี้แต่ทั้งสมสายนี้พินพินขึงทั้งนั้นเลยเพียงแต่ว่าขึงหย่อนหย่อนหน่อยขึงกลางๆหน่อยหรือขึงตึงๆหน่อยอยู่ที่เราเป็นผู้ขึงพินทั้งสมสาย แล้วได้สู้ไหมได้สู้เพียงแต่ว่าถ้าสู้อ่อนๆเนี่ยมันก็อาจจะได้ผลน้อยๆหน่อ ย, อยถ้าอ่อนเกินไปแหมได้ผลน้อยแล้วเกินสมมติว่าอาทิตย์ตละวันนะอดอาทิตย์ละวันอย่างเงี้ยอดหนึ่งวันปรากฏว่าไม่ต้องอีกหกวันหรอกแค่วันล่วงครึ่งบางทีทบต้นเลยดอกเบี้ยจากเมื่อวานนี้โอ้โหอาจจะกินรวมกันแล้วนะ พุ่งนี้นะอาจจะรวมมากกว่ากินปกติสองวันรวมเงินสิอีกเพราะฉนะนั้นอันนี้ดูว่ามันมันขดทุนไหมเนี่ยทั้งๆั้ที่จริงเราตั้งตบาดแล้วเราลดราเนี่ยแม้จะ เ, เข้มข้นแม้จะกลางๆหรือแม้จะอ่อนอ่อก็ต้องถือว่าเราได้สู้กับกิเลสทั้งสามอย่างใช่ไหมทั้งสามประเภทเลยแต่ถ้ามันอ่อนเกินไปมันน้อยเกินไปเนี่ยมันเหมือนกับเราค้าขายอะ เอ่อไอรายรับรายจ่ายเราโอ้โหบางทีนี่โอกาสขายกำไรได้น้อยมากเลยส่วนรายจ่ายนี่มันมันสูงอะนะใกล้ๆเคียงยเคียงใกล้ใกล้เคียงเคียงี้ยบางทีมันเสี่ยงอะโอกาสที่เรานี่จะกลับไปอะไรอะขาดทุนมันจะมีได้มากเพราะฉนั้นอ่อนเกินไปเนี่ยก็ไม่น่าที่จะไปตั้งอ่อนจนเกินไป ไอ่เข้มเกินไปเราก็กลัวจะไปไม่รอดอันนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเออถ้ามันเข้มเกินไปมันไม่ไหวเราก็อันนี้เราก็ไอ้นั่นลงมานะเอามาเอากำกลางคิดว่าเออกำกลางขนาดนี้ได้แล้วก็เอา้านะแล้วก็ทําแล้วตบาสนั้นก็จะได้ด้วยนะตะบานั้นน่าจะทําได้ด้วยแล้วก็จะไม่ตึงยังเกินไปด้วย อย่างเี้ยเราจะได้ผลได้ดีนี่นยกตัวอย่างให้ฟังส่วนจริงๆนะเรื่องอะไรเนี่ยคุณตั้งได้ทุกเรื่องะ <encima> ถ้าคุณยังมีกิเลสอยู่ในเรื่องนั้นนั้นะคุณตั้งได้ทุกเรื่องอยู่แล้วและในทุกเรื่องนั้นนะก็บอกแล้วว่าเราสามารถจะตั้งแก่กลางอ่อนได้อีกตั้งได้อีกในเรื่องนั้นๆทุกกิเลส ท, ทุกตัวเราสามารถตั้งแก่กลางอ่อนได้ทุกตัว แต่ก่อนอื่นถึงบอกว่าเอ่บางทีเนี่ยเราไปมัวสู้กิเลสตัว อ, อ่ อ, อนอกิเลสตัวสักการะเนี่ยเล่นงานเราเอาทุกเช้าทุกค่าเลยนะแม้มัวไปเอาชนะอีกิเลสตัว อ, อ่ อ, อนอยู่ที่อาจจะมาชอบเปรียบให้พวกเราฟังอะ่ะเหมือนกับเรือลำหนึง่งมีรูรั่วอยู่3ามรูใช่ไหมรูใหญ่รูกลางรูเล็กเนี่ยอธิบายบ่อยมากเลยเรื่องนี้คุณเป็นมัวอุดไอรูรั่วรูเล็กๆอยู่อะ ไอรูใหญ่ไม่ไ ม, ไม่รีบไปอุดมันน้ําก็เข้าเรือเข้าเรือรูใหญ่กับรูกลางคุณก็มัวไปอุดรูเล็กอย่างเงี้ยเพลิดเพลินสนุกสนานมัวอุดแต่รูเล็กอยู่อ่ะในขณะที่คุณเสียเวลาไปอุดรูเล็กอยู่เนี่ยทุกๆวันทุกๆเวลาทุกๆวินาทีนั้นน้ํำก็เข้าเรือตลอดเวลาจะไม่ในรูใหญ่อ้าวก็คุณคิดดูสิแล้วโอกาสเรือจะ จ, อจมมีมากไหมล่ะมันก็มีมากกระติเพราะว่าน้ําเข้ารูใหญ่มันมากอ่ะ เพราะฉะคนที่เขาฉลาดเนี่ยบางทีไอ้รูเล็กเขาก็จะปล่อยไว้ก่อนใช่ไหมเพราะว่ามันไอ้รูเลือกมันรูเล็กเขาก็รีบมาอุดรูใหญ่ยังไงก็พยายามอุดอุดได้ครึ่งนึงก็ยังดีเพราะว่าคุณอุดรูใหญ่ได้ครึ่งนึงเนี่ยตอนนี้ไอ้รูใหญ่อาจจะเล็กลงแล้วอาจจะไอ้ครึ่งนึงเนี่ยถ้าอุดไปได้นะก็ อ, อาจจะเหลือครึ่งนึงของรูใหญ่อาจจะมาเหลือเท่ากับรูกลารกแตดใช่ไหม อย่างน้อยน้อยเนี่ยน้ําจะเข้าเรือก็น้อยลงเพราะว่าเวลาที่บางทีเราไปอุดเราไปอะไรเนี่ยไอการเสียเวลาในการวันวันต่อวันที่เราสู้กับกิเลสเนี่ยมันเสียเวลาไปเหมือนกันวันนึงก็หมดไปวันนึงก็หมดไปแต่ถ้าเรามาสู้กับรูรั่วรูใหญ่ได้นะเราพอปิดไปได้บ้างเนี่ยคุณจะเห็นเลยนะว่าเออเราสบายขึ้น เพราะว่าเรือเนี่ยมันจะจมช้าลงเพราะน้ำมันเข้าเรือมาน้อยลงเราเนี่ยจะรู้สึกเออหายใจหายคอได้ดีขึ้นเพราะว่าไอ้รูด้วยรูใหญ่เนี่ยโอ้มันเล่นงานเราหนักมันน้อยจิตใจเราเนี่ย อ, อ, อะไรอะทุกทุกพอกิเลสเนี่ยทุกพ่อํานาจกิเลสมันเยอะเพราะถ้าเราอุดไปได้ใจเราจะเบาลงได้เยอะนะความ หวาดเสียวความหวาดกลัวที่เรือจะจมเนี่ยมันก็แหมไม่ต้องกลัวมากเหมือนเหมือนน้ํามันเข้าเรือมาได้เยอะเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ถามเรื่องตะบะพอดีเลยนี่วันนี้ก็บังเอิญ น, นะเนี่ยอาตมาก็เอาเอาชาดกมาเรื่องหนึ่งนั้นเนี่ยเกี่ยวกับตะบะนี่แหละชื่อว่า ชื่อว่าตบะเฉโกชื่อว่าตบะเฉโกนะอันนี้ระวังให้ดีเพราะว่าบางทีเนี่ยเราตั้งตะบะตั้งตะบะตั้งตะบะตั้งไปตั้งมาเนี่ยบางทีได้ผลก็มีบางทีไม่ได้ผลก็มียิ่งถ้าตั้งไปโดยไม่รู้ไม่เข้าใจหรือว่าไม่ไม่บริสุทธิ์ใจจริงอ่ะมันก็ตั้งตั้งไปอย่างนั้นเองเสร็แล้วคนเรามันมีกิเลสอยู่ไง ต บ, บาเนี่ยตั้งเพื่อเพื่อที่จะตา บ, บาทนี่ตั้งไปเพื่ออะไรจริงๆเพื่อที่จะจัดการกิเลสใช่ไหมเพื่อที่จะล้างกิเลสเพื่อที่ทําให้กิเลสเนี่ยยิ่งน้อยลงยิ่งยิ่งลดลงจะเป็นกิโลดเป็นเป็นกิเลสตัวโลภตัวโกรธหรือว่าตัวหลงก็ตามมันก็จะลดลงจะเบาลงจะน้อยลงแต่ปรากฏว่าบางคนตั้งอะ่ะมันไม่ใช่ตั้งเพราะ ความเข้าใจอย่างนี้ไงบางทีตั้งเนี่ยมันมีลาบยศเสรอเสรมีศักดิ์ศรีมีเรื่องชื่อเสียงอะไรต่ออะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอายบ้างกลัวบัง่งเดี๋ยวสู้คนอื่นไม่ได้บ้างเข้ามาเกี่ยวข้องบางทีตะบะเราเนี่ยมันไม่ได้บริสุทธิ์จริงเพราะมันมีอิทธิพลของลาบยศเสรเสรญสุขหรือบางทีโลกีโลกีวิสัยอ่ะ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทำให้ไม่บริสุทธิ์ก็คือตะบะเราเนี่ยเราเริ่มผิดเป้าผิดวัตถุประสงค์ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะลดกิเลสเราลงหรือบางทีกิเลสตัวนี้ลดลงก็จริงแต่อาจจะเพิ่มกิเลสตัวอื่นเข้ามาและกิเลสตัวใหม่เข้ามาอาจจะมากกว่าไอ้กิเลสตัวที่เราลดลงซะอีกเนะี่ยถ้าอย่างนี้ขาดทุนเลยนะอย่างนี้สวยเลย เอาเดี๋ยวเดี๋ยวลองฟังเรื่องนี้ดูเรื่องนี้ชื่อว่าตบะเฉโกชื่อชาดกนะเป็นชาดกชื่อว่าพระกะชาดกสมัยพุทธกาลพระอุปเสสนะบวชได้สองพรรษามีมีพระรูปหนึ่งในพระพุทธศาสนาชื่อว่าอุปเสสนะบวชได้สองพรรษายังเป็น ผู้ที่ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนอยู่แต่ได้มีสัตวทวิหาริกซึ่งมีพันษาเดียวแก่ตนแล้วพากันไปเข้าเฝ้าพระศาสด า, า, า, าคำว่าสัตวิทวิหาริกแปลว่าแปลว่าอะไรแปลว่าลูกศิษย์ปรากฏว่าพระอุปเสนาเนี่ยบวชได้สองพันษาแต่มีลูกศิษย์หนึ่งพันษาเป็นลูกศิษย์ พระพุทธองค์จึงตัดติเตียนออคือพาลูกศิษย์หนึ่งพรรษาตัวเองเป็นเป็นผู้บวชให้ตัวเองเน่ยสองพรรษาก็พาไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพอมาเข้าเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าซักสามเสร็จอ้าวพระเจ้าก็เลยติเตียนพระพุทธองค์จึงตรัสติเตียนว่าไม่เหมาะไม่ควรในการที่ภิกษุผู้ยังต้องได้รับการสั่งสอนยายจึงเที่ยวสั่งสอนภิกษุใหม่ แล้วมีลูกศิษย์อีกด้วยเล่าคือพระเจ้าท่านเห็นว่าไม่เหมาะตรงที่เรียกว่าพระที่ยังบวชมาใหม่ๆเนี่ยแค่พรรษาเดียวสองพรรษาแค่นี้เองยังเป็นผู้ที่ต้องศึกษาต้องเล่าเรียนต้องรู้เรื่องของธรรมวินัยต้องรู้เรื่องเรื่องของกฎเบียดศีลหรือตะบะหรือข้อประพฤติข้อปฏิบัติต่างๆเนี่ยยังต้องเรียนรู้อีกมาก แต่ปรากฏว่าเพิ่งบวชมาได้แค่สองภรษาเองกลับมามีลูกศิษย์แล้วมาเป็นอาจารย์แล้วนะบวแค่2องภาษามาเป็นอาจารย์แล้วเพราะนั้นผู้เจ้าบอกว่าอันนี้ไม่ควรเพราะว่าตัวเองก็ยังต้องศึกษาเลยนะยังยังไม่มีความรู้หรือว่ายังไม่มีธรรมะความเข้าใจหรือการปฏิบัติที่ฝึกฝนม า, มามากพอ เพราะฉะนั้นยังไม่ควรที่จะเป็นอาจารย์คนอื่นยังจะต้องไปลูกศิษย์ก่อนไม่ใช่มาเป็นอาจารย์เพราะนั้นท่านก็เลยตีเตียนเอาพระอุปเสสาจึงกลับไปนาโดนติว่าท่านก็เลยกลับไปแล้วหลีกเร้นบําเพ็ญให้เกิดมรรคผลแก่ตนจนกระทั่งได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นผู้มีความมักน้อยกระทาในทุดงควาสสิบสาข้อคือปากรว่า ท่านโดนติโดนว่าไปดีนะแทนที่จะโกรธหรือว่าแทนที่จะถือสาพระพุทธเจ้าไม่เลยโดนติไปก็ยอมรับว่าว่าเออก็ไม่เหมาะไม่ควรจริงตามที่ผู้เจ้าท่านว่าเอาเพอท่านก็เลยพอเดินทางกลับไปที่อยู่ที่อาศัยที่พักของท่านท่านก็หลีกเด่นฝึกฝนเลยฝึกฝนเพราะว่าพูดง่ายว่าโดนว่าว่ายัง ยังอ่อนน่ยยังเยาวในเรื่องธรรมะอยู่ว่าะต้องฝึกฝน ใ, ใ, ให้ให้ดีก่อนสิถึงจะมาเป็นอาจารย์ะนะก็เลยไปบำเพ็ญใหญ่พยายามฝึกจนกระทั่งบรรลุธรรมเลยน ะ, ะได้เป็นพาาาระอรหันต์เลยวันแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆท่านสองพรษาแล้วท่านก็มาเป็นอาจารย์เลยแสดงว่าท่านต้องมีความรู้ความสามารถอยู่มากพอเหมกัน ใ, ใช่ไหมคนอื่นก็ถึงจะมาศรัทธาเคารพนับถือแล้วก็ มาขอเป็นลูกศิษย์ท่านก็มีฝีมืออยู่แต่ถึงอย่างนั้นก็เหอะผู้เจ้าก็ยังบอกว่าไม่เหมาะเนี่ยก็น่าที่จะเออ <c ss> <c uss> ก็คือจากเหตุพวกนี้นะผู้เจ้าท่านก็เลยบัญญัติบัญญัติขึ้นมานะบอกว่าภิกษุมีพรรษาเพียงหนึ่งหรือว่าสองพรรษาอุปสมบทสัตว์ทวิหาริก พระพุทธเจ้าทรงติเตียว่าไม่เหมาะไม่ควรเพราะยังเป็นผู้ที่ผู้อื่นพึงให้โอวาดอนุสาดอยู่ น, นะขณะจึงสําคัญตนเพื่อโอวาดอนุสาดผู้อื่นเล่าแล้วทรงบัญญัติพระอุปัชายะต้องมี 10, สิบพรรษาขึ้นไปอันนี้เป็นที่มาพระุทธเจ้าท่านก็นเลยบัญญัติว่าต่อแต่นี้ไปคนที่จะเป็นครูบาอาจารย์ได้จะต้องบวชสิบพรรษาขึ้นไปถึงจะเป็นครูบาอาจารย์ได้แต่ โดยเนื้อหาแล้วไม่ได้หมายความว่าบวชสิบพรรษาก็เป็นครูบาอาจารย์ได้ทั้งหมดนะถ้ารูปไหนยังไม่เหมาะไม่ควรเนี่ยแม้จะบวชได้10บพรรษาก็ตามก็ไม่ให้เป็นอุปชาหรอกเพราะฉะอันนี้เนี่ยจะต้องดูความสามารถด้วยบวชสิบพรรษาแล้วความสามารถต้องถึงด้วย ถ, ถึงจะบวชได้ถึงจะเป็นมีลุกศิษย์ทุกษาได้ <c oughs> เสร็จแล้วอันนี้พระอุปเสส น, นะปรากฏว่าบรลุธรรมใช่ไหม โอ้โห ก, ก็ทำทุดงควัต13ข้อเราคงเข้าใจนะธุดงควัดนี่หมายถึงอะไรทุดงเนี่ยคำว่าทูตะเนี่ยุดง <c oughs> หมายถึงการถือศีลเคร่ง น, นไม่ใช่หมายถึงว่าผ้าธุดงคือผ้าอยู่ป่าคือผ้เอาเดินจาริกไปตอกตๆกต ทัไปอย่างนี้แล้วก็เลยบอกว่าอย่างนี้เรียกว่าผ้าทูดงไม่ใช่นะทูดงหรือทูตะเนี่ยมหมายถึงผ้าที่ถือศีลเคร่งต้องต้องทําเป็นกิจวัตรนะโดยเฉพาะทูดงขวัตเนี่ยคือข้อปฏิบัติที่เคร่ง13ข้อนะคำว่าทูดงขวัตเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด13บสาข้อก็หนนะเป็นผู้ถือใช้ผ้าบังสกุลเป็นวัด ผ้าบางสกุลเนี่ยคือผ้าอะไรผ้าบางสกุลผ้าที่เขาทิ้งแล้วผ้าที่เขาไม่ใช้ไม่ไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นผ้าเก่านะบางที่ะต่อให้เป็นผ้าใหม่หรือว่าผ้ากลางเก่ากลางใหม่ก็แล้วแต่แต่ว่าเขาอื่นเขาไม่ใช้แล้วเนี่ยเขาทิ้งอ่ะหรือเป็นผ้าห่อศพอะไรเงี้ยนะก็ห่อศพมาอย่างเงี้ยเราถือว่าเป็นผ้าบางสุกุล อย่างเงี้ย ท, ท่านจะถือใช้ผ้าบางสุกุลก็คือมีใครเอาผ้าใหม่ๆที่หมายถึงว่าเอามาถวายท่านเลยท่านไม่ใช้ถึงได้มีแบบอะไรนะทอดผ้าป่ามีอะไรเงี้ยเอาผ้าไปห้อยตามต้นไม้เหมือนกับเหมือนกับไม่มีใครใช้นะทิ้งไว้ตามป่าตามเข า, อาพอปิกสุมาเจอก็อ๋อนี่คนก็เหมือนจะทิ้งเอาไว้ใช่ไหมก็เอามาใช้เพาถือว่าเป็นผ้าบางสุกุลอย่างเงี้ย ท่านจะใช้ผ้าแบบนี้คือถ้าอยู่ดีๆคนไปซื้อหามาหรือว่าไปทอมาไปถักมาอะไรก็ตามแต่เสรยจแล้วก็มาถวายท่านอย่างนี้ท่านอาจจะรับแต่ท่านไม่ใช้ อ, อันนี้อันนี้เป็นทุดงควัดข้อที่หนึ่งข้อที่สองเป็นผู้ถือคลองผ้าสามผืนเป็นวัดนะคลองผ้าสามผืนก็มีอะไรบ้างอ่ะ มีจีวรถ้าถ้าถ้าอีกอันหนึ่งก็สังคตินะแล้วก็สบงอย่างเงี้ยสามผืนแล้วท่านก็จะใช้แค่นี้เองวันมากกว่านี้ท่านไม่ใช้เหมือนอย่างท่านมูทูเนี่ยรู้สึกท่านจะพยายามใช้ไม่ให้เกินกว่านี้ท่านมูทูนะท่านจะใช้แค่นี้เองรู้สึกท่านจะเหลือแค่สองทสมึง แต่ว่าต้องอันนี้ต้องรวมผ้า อ, อ, อังสานะเพราะอังสะก็ถือเป็นผ้าแบบผ้าอาบน้ําฝนผ้าอะไรพวกนั้นก็เลยถือว่ามีเสบงแล้วก็มีมีผ้าคลองส่วนอีกผืนนึ่งท่านไม่ใช่ใช้เพราะว่าของพวกเราเนี่ยพับพับเป็นสังฆติได้ะนะท่านก็เลยไม่ใช้รู้สึกว่าท่านจะยังไงนะพอเวลา ต้องไปซักอะ่ะท่านก็หาอะไรมาหม่มเออแล้วก็ถอดสบงไปซักนั่นแหละท่านก็ใช้อย่างนั้นก็เก่งนะท่านก็พยายามมากน้อยพยายามทําให้มันได้อย่างแย่อย่างแยง่ก็ถือว่าท่านเนี่ยถือทุดงควัดนะเพราะฉะนั้นข้อ น, นี้ก็คือคลองผ้าสามผืนเป็นวัดข้อที่สาม เป็นผู้ถือเที่ยวบินธบาตเป็นวัดคือพูดง่ายๆว่ า, าไปกินนิมนต์แล้วก็เขาประเคนอาหารให้ชั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ออกบินธบาตไม่เอายังไงก็ต้องบินธบาตจะนิมนต์จะอะไรก็แล้วแต่ยังไงท่านก็ต้องบินธบาตดังนั้นเนี่ยถือบินธบาตเป็นวัดเป็นพูดง่ายๆว่าเป็นชีวิต เป็นประจำวันเป็นอะไรที่ท่านจะต้องทำปกติสม่าเสมออันเนี้ยถือว่าเที่ยวบินธบัติเป็นวัดนะข้อที่4เป็นผู้ถือเที่ยวบินทบาต เ, เ, เป็นลำดับเป็นลำดับตามแถวอะไรอย่างเงี้ยนะคือคืออะไรอ่ะถ้ามีภิกษุหลายลูกใช่ก็เรียงตามพรรษาเลียงตามพรรษาพรรษาเท่าไหร่ก็ จากจากมากมาหาน้อยพรรษาสูงก็อยู่หัวแถวพรราน้อยกว่าก็ก็ลงมาเป็นทางแถวอย่างเงี้ยก็บินทะบาทเป็นวัดตามแถวหรือบางทีก็ตามตอกซอกซอยตามอะไรพวกนี้ที่ที่มันเป็นลำดับมันเป็นขั้นตอนแล้วนะไม่ไม่มั่วอิเล่เขขาอะไรไปทั่วเนี่ยจะมี คือคือสายสายเคร่งพวกนี้จะยึดพวกระเบียบพวกวิในพวกไอข้อประพฤติข้อปฏิบัติอะไรต่างๆสายพวกนี้จะเคร่งพวกนี้เพราะนั้นพะนั้นพอตั้งจิตตั้งใจจะทำอะไรไว้แล้วก็โอ้โหพยายามทำให้มันได้ดีที่สุดมันพวกนี้นี่โอโ้เอาจริงเอาจังนะอันนั้นเป็นข้อที่สี่ ส่วนข้อที่5เป็นผู้ถือการฉันมือเดียวนั่งหน้าที่นั่งแห่งเดียวเป็นวัดอันนี้เราคงเข้าใจง่ายอยู่แล้วฉันมือเดียวนะก็วันหนึ่งเนี่ยฉันครั้งเดียวเพราะว่าบางทีบางพลก็บอกอะไรนะมือเดียวแต่มือยาวมือเดียวแต่มือยาวทั้งวันอย่างเงี้ยอันนี้ใช้ไมได้ถ้าเป็นภิกษุ มักจะถือว่าไม่ควรเลยเที่ยงไม่ควรเลยเทียงไม่ฉันในเวลาวิกาลนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจะต้องไม่เลยเที่ยงไปตั้งแต่ไปออกบินทบาทบินทบาทเสร็จกลับมาก็เอ้าฉันได้ยังไงก็อย่าให้เลยเที่ยงแล้วกันนะพวกที่เคร่งเนี่ยท่านก็จะถ้าเลยเที่ยงท่านไม่ฉันเลยก็พูดง่ายวันนั้นก็ไม่ต้องฉัน ถ้าพวกที่แข่งๆที่ท่านถือตะบะทูดงขวัตพวกนี้นั่นแล้วกันชั้นมือเดียวด้วยแล้วก็ที่นั่งแห่งเดียวด้วยชันมือเดียวที่นั่งแห่งเดียวไม่ใช่แบบว่าอะไรนะฉันตรงนี้เสร็จโอ้มันน้อยนะอาหารตรงนี้มีน้อยใช่มเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเพิ่มตรงโงนอะไรอย่างงี้ไปเอาเพิ่มตรงโงนคือคือไปไปชันต่อตรงโงนนี่ไม่ได้ ชั้นที่เดียวชั้นตรงนี้ก็ตรงนี้แหละมันมีน้อยก็ก็มีน้อยตามชั้นแค่นี้แหละจบแล้วก็จบกันไม่มีว่าไปต่อตรงโน้นไปต่อตรงนั้นอันนี้ถึงถึงเรียกว่าชั้นมือเดียวแล้วก็ณที่นั่งแห่งเดียวคือถ้าท่านนั่งลงไปตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แหละไม่ต้องตรงอื่นละตรงอื่นไม่เอามันที่เดียวเลยนะไม่เหมือนพวกเราบางคน ไปเรื่อยเลยไปเรื่อยเลยนะไม่รู้กี่ที่ต่อกี่ที่แต่มื้อเดียวไงอันนั้นมื้อเดียวใช่ไหมเขาก็ฉันจนอิ่มของเขาก็กินจนอิ่มของเขาอ่ะมื้อเดียวแต่เขาอาจจะไปนั่งกินตรงโน้นตรงนี้บ้างใช่ไหมก็กินจนกว่าจะอิ่มอ่ะแต่อันนี้ของของพระท่านที่ท่านเค่งอันนี้มื้อเดียวด้วยแล้วก็ที่เดียวด้วยจะไม่ไปหลายที่ <c oughs> อส่วนข้อที่หก เป็นผู้ถือการฉันเฉพาะในบาทเป็นวัดพูดง่ายว่าอาหารที่จะฉันเนี่ยเอารวมไว้ในบาทจะไม่ฉันนอกบาทจะไม่ไปแบบว่าไปที่ฝาบาท <c oughs> น่ามีไว้ที่ฝาบาทไม่เอาไม่เอาไว้ไว้ข้างนอกบาท่ไว้ตรงตรงข้างหน้าตรงข้างหลังตรงรอบๆอบข้างไม่เอา นะถ้าถ้าถือเก่งอันนี้แล้วต้องอยู่ในบาต ท, ทั้งหมดไม่รู้ว่าคุณจะเป็นน้ําคุณจะเป็นแห้งคุณจะเป็นอะไรนะสะเทือนน้ําสะเทือนบกยังไงก็ตามต้องอยู่ในบาต ท, ทั้งหมดไม่มีว่าไม่มีว่าหยิบหยิบจากข้างนอกบาตแล้วเอามาฉันไม่มีอันเนี้ยเ น, นี้ยคือข้อที่บอกว่าฉันเฉพาะในบาตเท่านั้นจะบาตเล็กบาตใหญ่แล้วแต่ แต่ยังไงก็ต้องอยู่ในบาททั้งหมดเพราะผู้ที่ถืออันนี้เนี่ยจะเป็นขนมนมเนยจะเป็นอะไรอะ่ะอาหารจะเป็นน้ําจะเป็นอะไรอีกของเหลวของข้นอะไรก็แล้วแต่ต้องรวมอยู่ในบาททั้งหมดคื อ, ค, อคือคุณจะผสมกันเลยหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งอาจจะไม่ผสมปนกันก็ได้แต่ทั้งหมดเนี่ยต้องอยู่ในบาท คุณหยิบมาทีละอย่างเอามาฉันก็ได้นะถ้าถ้าเป็นพระท่านเนี่ยท่านก็เอ า, เอานเอานี่มาฉันฉันฉันท่านไม่ต้องไม่ต้องมาเทรวมกันแล้วก็ไม่ต้องมาครุกก็ได้แต่ยังไงท่านก็ฉันอยู่แต่เฉพาะในในบาทเท่านั้นเอง